ตอนปัญหาพิพาทโดยไม่มีใครคาดฝันขณะที่การชุมนุมสาธารณะกำลังเฟื่องและการอภิปรายกำลังเป็นไปอย่างคลึกคื้นปัญหาต่างๆได้ถูกฟาดฝันแตกหักลงไปด้วยคารมคมคายเรื่องแล้วเรื่องเล่าได้มีผู้เสนอยติสำคัญเข้าสู่วงอภิปรายคือปัญหาที่ว่า อะไรเป็นมงคลดูรูปปัญหาแล้วก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรแต่เมื่อมีผู้เสนอตัวขึ้นกล่าวแก้กลับถูกนักอภิปรายคนอื่นกล่าวว่าท้าหักล้างอย่างไม่เป็นท่าท่านทั้งหลายโปรดฟังท้งนี้ท่าพเจ้าทราบดีว่าอะไรเป็นมงคลนักอภิปรายผู้หนึ่งเสนอตัวขึ้นในที่ชุมนุม ไหนเชิญถแถลงมาดูสิท่านตามความเห็นของท่านว่าอะไรเป็นมงคลนักพูดอีกคนสักอ๋อแน่ละ่ะข้าพเจ้าทราบในร่างกายของคนเรานี้มีอวัยวะสำคัญที่สุดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคุ้มครองแก่อวัยวะทั้งปวงอวัยวะที่ว่านี้คือตาของเรายังไงละ่ะตานี่แหละ คือดวงประที่แห่งชีวิตตาเป็นสื่อสำคัญที่จะถ่ายทอดเอารังสีจากพระสุริยเทพมาทำงานบํารุงเลี้ยงชีวิตไว้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ตาเห็นสิ่งนั้นแหละเป็นมงคลประเดี๋ยวก่อนท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าสงสัยที่ท่านพูดว่าสิ่งที่ตาเห็นเป็นมงคลนั้น หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาเห็นใช่ไหมนักอภิปลายคนหนึ่งเริ่มจะหักหลงังโถเอ้ยไม่น่าจะถามเลยนี่ท่านข้าพระเจ้าก็ได้บอกแล้วตาเป็นเทพเจ้าประจาชีวิตตาให้แต่คุณประโยชน์แก่ชีวิตเท่านั้นไม่เหมือนปากไม่เหมือนมือไม่เหมือนเท้าซึ่งคอยหาเรื่องยุ่งเข้าตัวอยู่บ่อย ก็เมื่อตาเป็นอวัยวะที่มีแต่คุณล่นล้วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาเห็นก็ย่อมเป็นมงคลทั้งนั้นหวังว่าที่พูดนี้ท่านคงจะเข้าใจเจ้าของความเห็นเน้นอย่างภาคภูมิใจถูกแล้วข้าพเจ้าเข้าใจตามที่ท่านพูดแต่ข้าพเจ้ายังไม่เชื่อตามที่ข้าพเจ้าได้ยินขอถามหน่อยเถอะว่า ของที่ตาเราเห็นนั้นมันเป็นของดีทุกอย่างหรือคนร่างกายผุดผ่องสวยงามตาก็เห็นและตาดวงเดียวกันนั่นเองก็อาจเห็นคนที่เป็นโรคเรื้อนเน่าเปื่อไปทั้งตัวเงินทองตาก็เห็นแต่แล้วมูดคูดของโสโครบตาก็เห็นเหมือนกันเศสั์สำหรับช่วยชีวิตตาก็เห็น แต่ยาพิษซึซ่งเป็นภัยอย่างร้ายตาก็เห็นเหมือนกันคิดดูให้ดีนะท่านนะนักโทษรอประหารนั้นเขาเองก็เห็นตะแลงแกงที่จะบ่นคอเขาด้วยไม่ใช่หรือถ้าจะถือว่าทุกสิ่งที่ตาเห็นเป็นมงคลทั้งนั้นอย่างที่ท่านว่าแล้วโรคเรื้อนมูดคูดยาพิษและตะแลงแกงก็เป็นมงคลด้วยสิ วาทาของนักคิดคนแรกเป็นนั้นถูกหักล้างอย่างไม่เหลือหลอดโดยเหตุผลง่ายๆของผู้ซึ่งเป็นนักคิดเหมือนกันโปรดฟังข้าพเจ้าบ้างสุตมังคลิกะนักอภิปรายอีกผู้หนึ่งเสนอตัวซึ่งแน่ละ่ะเขาก็เป็นสิทธิ์มีอาจารย์เหมือนกันเป็นความคิดที่เผอเหลือเกินที่ท่านผู้นั้นบอกว่า ตาเป็นอวัยวะสําคัญที่สุดของร่างกายซึ่งความจริงแล้วตาเป็นเพียงอวัยวะห ย, บหยาบๆชนิดหนึ่งเท่านั้นถ้าตาเป็นผู้พิทักษ์รักษาชีวิตให้เราอย่างแท้จริงแล้วฉนัยตาจึงไม่เปิดทำงานอยู่ตลอดเวลาล่ะตาดูแลหน้าที่เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของวันเท่านั้นพอตกกลางคืนก็ทาทีง่วงเหงาแล้วก็หลับไหล ร่างกายต้องถูกทอดทิ้งกลิ่งโคโลโดยปราศจากการเหลียวแลข้าพเจ้าขอถามสักนิดเถอะว่าอวัยวะที่ขี้เกียจอย่างตานั้นหรือที่น่าจะเชิดชูให้เป็นเทพเจ้าประจำชีวิตทอดระยะหน่อยหนึ่งแล้วนายสุตตะมังคลิกะก็เผยทัศนะของเขาอย่างมั่นใจว่าอวัยวะที่สำคัญที่สุด สำหรับตัวเราคือหูของเรานั่นต่างหากท่านเห็นไหมพระเจ้าได้สร้างหูไว้สำหรับคุ้มครองชีวิตให้มนุษย์อย่างแท้จริงหูทำงานไม่มีเวลาพักแม้ว่าตาหลับหากจะมีใครเรียกไปกินข้าวหูก็จะปลุกเขาให้ตื่นในยามเดียวกันหากจะมีใครตะโกนบอกว่าโจรปล้นหรือไฟไหม้ หรือแม้แต่มีขโมยเข้ามาลักสิ่งของในบ้านเรือนหูเท่านั้นที่จะรายงานให้เราทราบอีกประการหนึ่งแม้เวลาที่คนตื่นอยู่กลางวันแสกนี่แหละรัศมีทำงานของตาก็ขับแคบตาเห็นแต่สิ่งที่ผ่านมาทางด้านหน้าและอยู่ในที่แจ้งระยะชั่วสายตาเท่านั้นเลยนั้นไปแล้วตาจะทำอะไรได้ แต่หูสิท่านไม่ว่าเสียงจะอยู่ทางข้างหน้าหรือข้างหลังหูได้ยินทั้งนั้นเสียงออกมาจากที่ลับหูก็ได้ยินเสียงออกมาจากที่มืดหูก็ได้ยินเสือสางช้างเถื่อนร้องอยู่ห่างสุดสายตาหูก็ได้ยินเชื่อข้าพระเจ้าเถอะชีวิตของคนเรานี้แขวนไว้กับหู เขาจะว่ากันในทางละเอียดเสียงที่เข้าทางประสาทหูก็เป็นของละเอียดกว่าสิ่งที่ตาเห็นมากเสียงเป็นของทิ์จนไม่อาจเห็นด้วยตาไม่อาจดมด้วยจมูกไม่อาจลิ้มด้วยลิ้นและไม่อาจจะแตะต้องรูปคลมด้วยส่วนใดๆของร่างกายรวมความว่าเสียงที่หูได้ยินนั้นพ้นแล้วจากสีรูปกลิ่นรส เป็นของบริสุทธิ์สะอาดแท้แะฉะนั้นเสียงที่หูเราได้ยินนั่นแหละเป็นมงคลสุตตามังคลิกะนักสุตตนิยมจบคำอภิปรายของเขาอย่างมั่นใจว่าอย่างไรเสียเหตุผลนักพูดทัศนนิยมก็สู้ไม่ได้ท่านสุตตามังคลิกาคารมของท่านขมขายนะัก นักคิดอีกคนเริ่มหกักหลางแต่ขอโทษเธอนะขอถามสักนิดเถอะเสียงที่หัวเราได้ยินจะถือว่าเป็นมงคลทุกอย่างไหมอ๋อแน่นอนสุตะมังคลิกะยืนยันถ้าเช่นนั้นเสียงด่าเสียงแช่งเสียงขู่เข็นเสียงโกหกตอแหลเสียงสับสอยุยง ก็เป็นมงคลสำหรับคนที่ได้ยินด้วยละสิคิดดูให้ดีนะท่านน่ะถ้ามันดีแต่ที่มันอาจจะเหลวก็ได้ถ้อยถแถลงของสุตมังคลิกะได้ถูกลบล้างอย่างสิ้นเชิงอีกคนหนึ่งท่านที่ครบโปรดฟังทางนี้าหากท่านต้องการทราบความจริงมุตตะ นักอภิปรายจากอีกสํานักหนึ่งเริ่มต้นข้าพเจ้าทนฟังนักพูดทั้งสองท่านนั้นด้วยความสงสารอะไรกันท่านเ อ, อ๋ยดูตัวเองไม่ออกบ้างเลยเทถยวหรือคนเรานี้ประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจท่านก็ย่อมทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตาก็ดีหูก็ดีมันก็บ่าวของใจด้วยกันทั้งนั้น จะผิดแผลแตกต่างกันบ้างก็แต่ทำหน้าที่ต่างกันเท่านั้นตาเห็นหูฟังแต่รวมความแล้วก็คือคนใช้ด้วยกันทั้งคู่บ่าวของใจเหมือนกันหรือไม่จริงมูตะนักอภิปรายคารมแหลมล้ําสะกดผู้ฟังให้นิ่งงันด้วยเหตุผลเพียงง่ายๆแล้วก็กล่าวต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่แก่ใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นนายไม่ต้องเสียเวลาอธิบายมากขพเจ้าขอตัดสินเป็นคำขาดเลยทีเดียวว่าสิ่งใดที่ใจคิดได้สิ่งนั้นแหละเป็นมงคลนี่คือสัจธรรมท่านผู้เป็นปาฏสัจธรรมของท่านพูดง่ายดีจริงแต่ฟังยากอยู่สักหน่อยขพเจ้าสงสัยว่า ใจคนเรานี้มันคิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่หรือท่านอาจเป็นคนลืมง่ายไปสักหน่อยกระมังเมื่อเร็วๆนี้มหาโจรใจร้ายได้ถูกลงโทษประหารชีวิตพร้อมด้วยสมุนโจรอีกส0สิคนท่านลืมเสียแล้วหรือท่านมุตตะผู้นักคิดโจรเหล่านั้นถูกประหารเพราะอะไรก็เพราะใจเขาคิดชั่วช้าเห็นผิดเป็นชอบ แล้วก็หลงบูชาความคิดของตัวเองไปทำการเป็นโจรตามที่ใจคิดนี่เนะหรือท่านที่ว่าทุกสิ่งที่ใจคิดเป็นมงคลข้าพเจ้าชักสงสัยว่าโจรเหล่านั้นจะเป็นสิทธิสํานักเดียวกันกับท่านและกระมังนักคิดอีกคนหนึ่งก็ได้หักล้างถ้อยแถลงของนายมุตตะลงอีกนี่แหละท่าน ทวงํานองการอภิปรายในชุมนุมสาธารณะสมัยโบราณเขาโครงและเหตุผลเป็นของเดิมแต่ชั้นเชิงทางวาทะข้าพเจ้าต่อเติมลงไปบ้างตามที่คิดว่าน่าจะต้องมีรสชาติอย่างนี้ยติเรื่องมงคลก่อตัวขึ้นในรูปปัญหาจนกระทั่งกลายเป็นข้อพิพาทและเป็นไม้เบื่อไม้เมาของบรรดานักคิด ตลอดจนประชาชนซึ่งเป็นสานุสิ์ของคณาจารย์ต่างๆข้อวิพากวิจาร์ได้แผ่ขยายตัวออกไปทั่วแควนในบ้านในสภาในสโมสรและใ น, นที่ชุมนุมพบปะทั่วไปตลอดจนในหมู่คนเดินทางปัญหาเรื่องมงคลได้ถูกนำขึ้นถกเถียงกันอยู่ทั่วไป สิบสองปีผ่านไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายครั้นแล้วได้มีผู้นำปัญหาเรื่องนี้เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นกำลังประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันใกล้กล้กับเมืองสาวัตถีพระพุทธองค์จึงทรงแสดงหลักมงคลทางพุทธศาสนาให้พระสงฆ์และประชาชนฟัง มงคลที่ทรงแสดงนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด38หัวข้อทุกข้อเป็นผลของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ทั้งสิน้นไม่ใช่เพียงแต่คาดคิดเอาเพราะฉะนั้นแต่ละข้อจึงเข้าถึงความเป็นสัจธรรมไม่มีผู้ใดจะคัดค้านหรือหักหลางได้และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนามงคล38แล้ว ปัญหาเรื่องมงคลซึ่งก่อความยุ่งยากสับสนแก่มหาชนอยู่ถึง12ปีแล้วนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดยุติลงโดยเด็ดขาดมงคล38นั้นมีอย่างไรบ้างเราจะได้ศึกษากันอย่างละเอียดต่อไปในตอนนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้แก้เลี่ยนให้ท่านที่เป็นคนขี้เบื่ออาหารสักนิดก่อนไม่เช่นนั้น จะโยนหนังสือนี้เข้าตู้ลั่นกุญแจเสียเลยจะไม่เจอของดีซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ผิดเจตนาของข้าพเจ้าอย่างยิ่งปราะหนังสือบทประพันธ์ของข้าพเจ้าทุกเล่มทุกเรื่องมุ่งอย่างเดียวคือต้องการเสนอให้ท่านผู้อา่านได้อ่านเอาประโยชน์อย่างคุ้มค่าเท่านั้นไม่อยากให้เก็บไว้ดูปกสวยๆโดยไม่มีรอยฉ้าเลย